กุฑโธสวัสดีค่ะท่านวันการสัมมนาสนทนาอ่าสัปดาห์นี้ก็คล้ายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะว่าธรรมะที่นําเอามาพูดกันเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกันมาจากวันก่อนๆที่ได้พูดแล้วผ่านมาวันนี้เมื่อวานท่านพระบุนได้พูดถึงเรื่องของอ่าคําสอนของพระศาสดาเกี่ยว จะบอกว่าเป็นเรื่องยาวที่จะของการที่เราจะแสวงหากราบเรียนถามกันต่อค่ะท่านพระภิกขุอธิปุญโญจากวัดป่าดอน เอ่อหลายๆคนก็จะเปรียบเทียบอย่างงี้ว่าเออชีวิตฉันเป็นคฤหัสถ์ก็ส่วนนึงเอ่อถึงเวลาไปวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล 8 ก็อีกด้านนึงพระนี่ก็โซนนึงไปเลยแยกไปเลยอย่างงี้นั่นเอ่อเป็นเป็นลักษณะนั้นหรือบางคุณธรรมเช่นเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์เอ่อการที่ให้อยู่ในโลกใช่มั้ยเรื่องของสามีภรรยา คำสอนนึงบอกให้ละโลกวาง 2 ระบบนะก็พูดถึงพระฤาษีที่ยังต้องครองเรือนอยู่นี่แล้วนะอันนี้ก็คือต้องการ Life อยู่อยู่ ซึ่งในความคิดของอาตมาถ้าเรามาวิเคราะห์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะ นะพูดถึงการที่จะเอ่อบริหารจัดการชีวิตของเราให้ นะ, 8 ทั้ง 8 อ้าวพูดถึงพระ 8 คฤหัสถ์ 8 มันเป็นทางเดียวกันตรงนี้แต่มันคนละจุดนะคนละจุดเราอยู่เชียงใหม่ก็เราอยู่กรุงเทพฯนะมัน<ใช> 8 นี้ฉัน แล้วคุณธรรมศีล 5 ได้อยู่คุณอยู่บนทางเดียวกันกับ นะถ้าสมมุติเราเช่นทางที่ผิดศีลทางที่ลุ่มหลวงมัวเมาทางที่ คุณเดินไปตามทางเนี้ยคุณบอกว่าคุณยังไม่ต้องการ เป็นไปในแนวทางธรรมใช่มั้ยเราก็จะมีชีวิตความเป็น 8 ศีลสมาธิปัญญานะไม่ ค่ะงั้นอ่าถ้า 2, 2 ตัวแต่ๆเนี่ยได้ทุกอย่างเลยคือใช่ใช่มั้ยคะถูกอืมทําว่าเอ้ยตอนนี้ยัง นะโอ้ยคุณต้องมีชีวิตนะคุณต้องไปกินเหล้ากินอะไรอย่างงี้เอ่อซึ่งนั้นเป็นความประมาทคือคุณนะไปตันตรงไหนตันตรงที่หมอบอกคุณ เพราะแต่จริงต้องบอกว่ายืนยันให้ท่านฟังนะเฮ้ยเราเรามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่า <c oughs> อยู่ตามทำนองกลองทำแล้วเนาะอืมนะคะก็มันอยู่ที่เราจะตัดสินใจรับ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นๆกันใช่เห็นทุกข์เห็นธรรมอ่างั้นอันเนี้ยเป็น อันนี้คือคุณต้องได้รับการลงโทษแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องต้องเจ็บตัวเจ็บปวดคุณถึงจะต้องรู้ตัวแล้วป่ะเฮ้ยให้ หมายถึงสภาพสภาวะหนึ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่มันมีความไม่เที่ยงที่มันปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงๆกันถ้าเราเห็นตรงนี้นะถือว่า นักคนประเภทนี้หรือว่าเจอคนหลอกคนอาจจะคิดว่าไอ้เค้านี่เอ่อ 1 ใช่ 2 คนแบบเดียว เอาคือว่านะขณะนั้นเค้านั่งอยู่ที่บ้านเค้าพิจารณาเห็นความที่ <it> เป็นทุกข์ค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์นี่แหละคือคุณเห็นทุกข์แล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือ ไม่จําเป็นจะต้องเจ็บตัวนี่ง่ายงามมากนี่ค่ะขอให้มองให้เป็นใช่แล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปมอง นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่กังวลใจมากคน นะ, นะ, นะ, 30 40 คนก็สู้องค์กุลิมานไม่ได้นะก็เลยจะยกกองทัพไปปราบนะแต่พระ ใครพยศมาปฏิบัติธรรมน่ะอยู่ไปอีกระยะ 1 ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เอ่อเค้าเคยเปรียบหรือช่างเอ่อช่าง นะสินแร่ทองคํามาทําเป็นทองคําขึ้นรูปเป็นแหวนต้มหูอะไรต่างได้นะหรือแม้แต่ช่างไม้นะ โดยฟังทุกคุณโยมค่ะนะเอ่อซึ่งเครื่องมือนี้ก็คือธรรมะของพระ อ่าโอกาสนะคะที่เราๆไปอ่าดิฉันว่าบอก เมื่อถ้าอยากรู้กฎหมายเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสักเรื่องก็ให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของๆค่ะแล้วก็ วันเสาร์อาทิตย์นี้ซ้อมกันให้มากก็ได้ 5 วัน ก็ได้รบกวนเวลาท่านมากแล้วต้องกราบขอบพระทุกๆเดือนทุกๆเดือนค่ะ 27 ที่ ที่เดียวกันกับที่วัดนาป่าพงนะคะซึ่งดิฉันเองอ่าก็ภิกษุนะคะของที่นั่นมาพูดในรายการนี้ด้วยอยู่ก่อนหน้าเหมือนกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วอานุโมทนาบุญกับ